พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15ตุลาคม2555อบรมพระหลังสวดปาฏิโมกมีชื่อเรื่องว่ามรรคผลนิพพานมีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติ วันนี้เป็นวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2555วันนี้เป็นวันอุโบสถเราฟังอุโบสถจบลงสักครูน่นี้แล้วก็เรื่องการสวดพระปฏิโมกแต่บางคนสวดมันก็เอาอย่างที่ตัวเองถนัดอยากจะสวดเมื่อคราวตัวเองเคยสวดถ้าตามไม่จริงเราต้องสวด เอากูบาลจาย์เป็นแบบฉบับแล้วก็สวดเราจะได้รู้แนวทางแต่สวดตามลําพังน่ะมันก็ข ย, ขยักขยักขยักฟังแล้วมันไม่เรื่นหูเหมือนกับเด็กอ่านหนังสืออย่างนั้นน่ะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่อ่านแต่ผู้ใหญ่อ่านก็จะอ่านไม่เป็นก็คือจะขยักขยักฟังกั น, นอ่านตัวไหนควรจะเป็นจังหวะจะโค่นยังไงตัวไหนควรจะยาวตัวไหนควรจะสั้น แล้วก็ต้องยึดแนวแถวครูบาอาจารย์ที่ท่านมาสวดพระทิโมกเป็นที่ยอมรับเราก็ใช้ทํานองนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าเอาทํานองของตัวเองกรามนองตัวเองถ้าไปสวดฟังตัวเองสิอย่ามาสวดให้หมู่เพื่อนฟังสวดยังไงก็ได้เออเออเออเอ อ, เ อ, อไปยังไงก็ได้แต่มาสวดให้หมู่ให้เพื่อนฟังให้ครูบาอาจารย์ฟัง หมู่พวกเพื่อนฟังมันก็ต้องสวดให้เป็นที่ยอมรับของหมู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยสวดยังไงในพระปฏิโมกเราก็ต้องฟังนั้นเอา้าจะสวดได้ยังไงเพราะครูบาอาจารย์อุปนิสัยระบบการทํานองเสียงทํานองไม่เหมือนกันเราก็ต้องฝึกหัดมันฝึกหัดได้ทั้งนั้นแหละ หูกับปากตัวเองไม่อยู่ใกลกันทาไมเราจะฝึกไม่ได้เสียงสั้นเสียงยาวออกตัวไหนออกตัวไหนถ้ามันออกไม่ได้จริงๆก็ไม่ควรจะขึ้นมาสวดนะถ้าออกไม่ได้จริงๆสวดไปก็เสียอ克拉เพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกได้ทั้งนั้นแหละแต่เราจะฝึกให้เป็นนักศนยงไงทํานองอยังไงอันนี้เป็นหน้าทีของพวกรันทั้งหลายจะต้องฝึก ไม่ใช่เอาขึ้นมาบนธรรมานล้วจะมาฝึกกันมาซ้อมมวยกันบนเวทีไม่ใช่ที่ซ้อมมวยมันฝึกเนี่ยฝึกมันต้องอยู่ข้างล่างาขึ้นมาข้างบนไปว่าขึ้นเป็นนักชกแล้วเป็นนักมวยแล้วจะมาสอนกันบอกกันขึ้นเวทีแล้วไม่ได้อ น, นี้เหมือนกันปฏิโมกอยู่ข้างนอกเราต้องซ้อมสอบซ้อมตัวเองซ้อม เราให้หมู่พวกเพื่อนฟังเมื่อพวกหมูพวกเพื่อนฟั ง, นะอ เ, อฟงเออเอาไม่ใช่พวกเพื่อนนะก็ต้องเป็นที่ยอมรับเหมือนกันเคยผ่านปฏิโมกมาแล้วนะให้พวกท่านทั้งหลายใส่ใจนะทางนี้ทางนั้นก็ให้ให้ใส่ใจให้มันถูกไปทำนองครองธรรมให้มันถูกตามขนบธรรมเนียมประเพณีครูบาอาจารย์ยอมรับในเมื่อเราไปสวดนะ เราไปสวดที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับไม่ใช่ว่าสวดยังไงก็สวดได้เพราะไปสวดที่ท่านเคยสวดที่ว่าท่านเป็นที่ยอมรับนะท่านไล่ลงทำมาศมันก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันนะเราสวดที่อื่นเราสวดจนพอแรงฮอันนี้มันก็ไม่ไม่ใช่ผลดีพระนะการสวดต้องฝึกฝึกพอสมควรไม่มีใครที่จะเก่งมาจากท้องพ่อท้องแม่หรอกมันต้อง ฝึกหัดด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ถึงยังไงก็ให้ใส่ใจในอัคระอย่าให้มันคลาดเคลื่อนมากาพวกเราไม่ถึงไม่ใช่คนแขกประเทศอินเดียก็เถอะไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมั ย, ยนั้นแต่ให้มันถูกอัคระให้มันถูกตัวหนังสืออไม่ใช่ว่าเสียงตัวหนึ่งไปออกตัวหนึ่งผมไม่ใช่แขกอินเดียจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะ พอเหตุไรกระ เ, เพาะตัวหนังสือมีอยู่ทำไมไม่ออกให้มันถูกอักขระออกถูกตัวหนังสือที่ท่านได้เขียนบอกไว้ที่นั่นแล้วผนะู้ที่บอกนะไม่ใช่บอกออกนอกนอกรูนอกทางบอกตัวหนังสือตามตัวหนังสือนั้นออกเสียงอย่างนี้ตัวนอนเนนออกเสียงยังไงตัวนอนหนูออกเสียงยังไงต่นอนเด็กออกเสียงยังไง ตวทอพระทหารออกเสียงยังไงโตเป็นไม้ออกเสียงยังไงมันก็มีอยู่ในนั้นเสร็จแล้วที่พวกเราได้เรียนภาษาบาลีเนะี่ยมันก็ออกอักขระตามนั้นอนะ่ะมันก็ถูกนะเป็นที่ยอมรับกันพูดง่ายๆถ้าออกไม่ถูกตามนั้นก็แปลว่ายอมรับกันไม่ได้นะอันนี้คือพระวิ น, นัยมันต้องทำให้ถูก ศีลและวินยัยมันเป็นกฎเป็นระเบียบอีสองวันพระก็เป็นวันออกพรรษาอยากนี่ไปพระตุกองให้เรียนคำประวารณาไว้นะให้เขียนละคำประวารณาไว้ถึงวันนั้นจะให้ติดขาดถูกบกพ่องถ้าว่าใครก็ตามนะถึงวันนั้น ไม่ได้คําปภาวณาผมไม่ออกพรรษานะต้องนั่งท่องพรรษาให้ต้องไปท่องอีกท่องให้ได้นะพอออกพรรษาแล้วคําออกพรรษาไม่ได้คําไม่กี่คําแต่ถ้าว่าเราใส่ใจมันก็ไม่มีปัญหาถ้าว่าเราไม่ใส่ใจก็ยังว่าน่ะมันก็ติดขัดแต่ถึงยังไงก็ขอให้ พวกเพื่อนผู้เป็นพระเก่าสอนกันนะบอกกันจะให้ผมได้ย้ำว่าพวกท่านก็รู้รอยู่แล้วไม่ใช่ว่าถึงวันนั้นมาจะมาขายหน้ากันในกลางวงไม่ใช่นะพระเก่าก็ต้องแนะนำเป็นไงท่านได้หรือยังเอาพูดให้ผมฟังจีถ้าพูดฟังเออไม่ได้ไมัน ไ, ไม่ถูกครัพูดให้มันถูกก็สอนกันบอกกันพวกที่พระใหม่ก็เหมือนกันก็ต้องเป็นที่ต้องยอมรับ ว่าเรายังไม่เคยสวดเคยกล่าวก็ต้องฟังพระเก่านี่กระโนจะออกพรรษาแล้วก็พูดที่จะรับกระถินเป็นใครอันนี้ก็จะให้ผมได้บอกได้กล่าวใครเป็นองค์สวดใครเป็นองค์อุปโลกก็น่าจะบอกรู้จักกันแล้วในหมู่ในคณะของพวกท่านแล้วก็เสนอมาองค์นั้นองค์นี้ใดไหมหลวงพ่อต้องบอกมาองค์ไหนเป็นองค์สวด ไม่ใช่พวกท่านจะตัดสินใจเองก็ต้องบอกผมเพราะผมเป็นหัวหน้าถ้าสวดมาแล้วมันได้เรื่องจะทำางไงก่อนที่จะเอาองค์ไหนขึ้นมาสวดองค์ไหนเป็นองค์อุปโลคะองค์อุปโภกพูดไม่ท่าติดอ่างฮะจะขายขีนหนาทั้งวงอีกเหมือนกันสิ่งเราเนีมันต้องได้คิดหมดนะเราไม่ใช่เราไม่ใช่อยู่องค์เดียวเราไม่ใช่วัดของเราไม่ใช่วัด เฉพาะของเราวันนั้นเราเห็นไหมคนเต็มวัดเรามาเรามาขายขีหน้าวัดทั้งวัดพระไม่เป็นเรื่องจะมาขายอย่างนั้นได้หรอสิ่งเราเนี้ยมันต้องได้คิดเหมือนกนันนะมันต้องฝึกเคาะซ้อมให้ดีฝึกให้คล่องแคล่วองไหนจะรับภานะรับภาระนาทีใดต้องใส่ใจนี่ก็ไม่นา น, นอ่ะทวนจะออกแล้วน่ะพรรษาสองเดือน ออกพรรษาวันที่30แล้วก็วันที่สก็เป็นวันกระถิ่น30แล้ววันที่31 1,2,3,4 สม่ันกา 4,5 หวันออกพรรษาันี้นก็ยังอีกสองวันพระแต่จะออกพรรษาดงั้นขอให้หมู่พกเพื่อนทุกองนะอกตั้งใจทำความภาคความเพียรแต่ผมก็มั่นใจ ว่าพระปีนี้มีเต่ผูู้มีอายุเป็นส่วนมากพระน้อยพระหนุ่มก็มีอยู่นี่แหละพระผู้เท่าพระที่มีอายุก็เป็นผู้มุ่งมั่นผ่านโลกผ่านความร้อนความหนาวมาพอสมควรแล้วมาบวชเขานี่ก็มาบวชเพื่ออะไรเราไม่ได้มาบวชเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเรามาบวชเพื่อขัดเกลากิเลสมาบวชเพื่อ สวยงาธรรมหรือว่าบวชเพื่อเป็นเรียนเพื่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพวกเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปภายภาคหน้าเราต้องศึกษาให้เข้าใจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ผมเคยพูดมันไม่ใช่ประเดียวประดาวจะเรียนรู้ทั้งหมดเราจะไปเรียนบทหนึ่งคาถาหนึ่งแนวความคิดหนึ่งแล้วจะตีรวบทั้งหมดมันไม่ได้ เรียนส่วนลึกแนวความคิดส่วนลึกส่วนกลางส่วนละเอียดหยาบกลางละเอียดมีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้พวกเราจะต้องได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้พวกเราใฝ่ใจสนใจในการประพฤติปฏิบัติเมื่อได้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของผม ไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นสมบัติของพวกท่านเองเป็นความสุขของท่านเองเป็นความเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพวกท่านเองเมื่อท่านถึงคราวจำเป็นต้อจวนเจียนก็เป็นหน้าที่ของพวกท่านเองนี่นะ จะรุกร่าก็คือเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นเรื่องของพวกเราทั้งหมดเหมือนกับเราไปทํางานห้างซรพพสินค้านะใครขยันใครทํางานกิจการงานเป็นที่ยอมรับเงินเดือนใครได้มากน้อยกว่ากันอันนี้เมื่อได้เงินเดือนมันก็เป็นของคนนั้นยิ่งธรรมะก็ยิ่งละเอียดกว่านั้นไปอีกพวกไราใครประพฤติปฏิบัติ ตั้งอกตั้งใจประพุทธปฏิบัติมรักผลนิพพานก็สําหรับคนคนนั้นมรักผลนิพพานจะเข้าสู่คนคนนั้นพระองค์นั้นไม่ได้แบ่งให้แก่ใครครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนถ้าไม่สนใจไม่ใส่ใจกันนั้น่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่พวกเรามาเข้ามาบวชแล้วไม่ได้ใส่ใจเราก็ไม่ได้อะไรอีกเหมือนกัน เพราะธรรมะเนี่ยเป็นปัจจตังธรรมะปัจจตังรู้เฉพาะตนผู้ปฏิบัติเพราะนั้นเรื่องศีลเรื่องสมาธิโดยเฉพาะเรื่องสมาธิเนี่ยเรื่องศีลก็ยังเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนผู้า่เป็นกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันเป็นกฎระเบียบคือหมวดศีลแต่เรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของเราแทๆ้ๆแต่เรื่องปัญญาเนี่ยยิ่งเป็นของเราชัดๆเลย คนอื่นมีแต่แนแนวให้ตนเองถ่านแนแนวแล้วเรายังไม่เชื่อมันก็ไม่เกิดปัญญาสมบัคิเราอีกแต่เราแนแนวให้เราแล้วเรามาพิจารณาการกองตรายตองปล่อยวางที่จิตใจของเราเราก็พ้นทุกในวัฏสงสารเป็นเรื่องของเราองค์ที่แนแนวบางทีอาจจะังเป็นปุตุชนอยู่ไม่ใช่อริยชนท่านก็ไม่ได้อะไรแต่คนท่านก็ได้บุญที่ได้แนแนว แต่พวกที่เราปฏิบัติได้นะ่ะเต็มเปี่ยมเลยเป็นสมบัติของเราโดยตรงเลยเหมือนกับความรู้นะพอครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาตำรามาสอนยกตำรามาสอนสอนให้พวกเราแต่วพวกเราจำเอาไปแล้วเนะี่ยเอาไปประพฤติปฏิบัติเอาไปธรรมาค้าขายเอาไปทํามาค้าขา ย, า ท, าขาขายที่ได้รับการสอนมาจากอาจารย์วิธีบัญชีเก็บยังไง ร, รักษายัางไงดำเนินการอย่างไร บริหารจัดการอย่างไรเนี่ยผู้ที่สอนเขากลักวมันจะปิดพลาดเนี่ยเขาเอาตาําราอ่านตํารากลางตํารามาสอนเนี่ยแต่พวกเรานําไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะยกตําราไปทุกแห่งทุกคนไม่ใช่เมื่อเราเรียนรู้วิธีการนะก่อนนาไปประพฤติปฏิบัติเราหาเงินสวัสวงหาทรัพย์ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามตามที่เราสวัสดิหาสมบัติเหล่านั้นก็เข้ามาสู่ตัวพวกเราเอง อาจารย์เป็นผู้สอนให้ก็ได้แต่สอนเท่านั้นเองแต่สมบัติความร่มเย็นผาสุขหรือว่าลาบยศชนะเสริญสุขอยู่กับพวกเราเองที่นำไปประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนั้นเมื่อเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเดินยังกลมนั่งสมาธิภาวนาหาทางพ้นทุกข์พวกเราจะมีความสุข ทางด้านจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเองไนี่แหลในคืนวันนี้วันท่านเดินดับวันพระใหญ่อย่างนี้ผมอยากจะให้หมู่พกเพื่อนมีนั่งภาวนาและเดินโยกลมให้มีวันหนักวันเบาให้มีความเร่งให้เร่งความภาคความเพียรอย่าไปวันไหนก็วันเก่าไม่มีการทําความภาคเพียร อย่างนั้นไม่น่าจะถูกถ้าวันไหนวันธรรมดาคือเอายวนๆกันไปละล ะ, ละกันไปแต่บางวันเนี่ยก็ลกพยายามเดินอย่างโกมนั่งสมาธิภาวนาเอาตลอดรอดฟังเอาทั้งคืนเป็นยังไงผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทำความภาคเพียรให้มีหนักมีเบานะเบาอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่วันหนักอย่างเดียวมันก็ก็ได้แต่มันจะเกินไป แต่หนักให้หนักมือไว้หนาะดีนะให้พวกเราท่านทั้งหลายวิธีการปฏิบัติผมก็สอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกวิธีการนั่งสมาธิวิธีแนวความคิดวิธีการกําหนดวิธีการพิจารณานะพิจารณาเดินวิปัสสนาอย่างไรสมาธิกําหนดอย่างไรที่จิตใจเป็นสมาธิแล้ววิธีการเดินวิปัสสนาเดินอย่างไร แต่ตามไม่จริงมันต้องไปด้วยกันสมาธิและวิปัสสนาสมาธิคือคือกำหนดจิตแล้วว่าดูจิตทำจิตใจให้สงบให้นิ่งเนื่อเมื่อจิตใจในิ่งเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณาบังคับหรือว่านามาพิจารณาให้พิจารณาถึงร่างกายพิจารณาถึงธาตุก็ได้ธาตุสีตินน้ำลมไฟก็ได้พิจารณาเป็นอสุภะปฏิคูลก็ได้ าแยกส่วนแบ่แบงส่วนของร่างกายก็ได้พิจารณาเป็นบางส่วนแต่กรรมาฐานห้าก็ได้อันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นวิปัสสนาทั้งนั้นให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงกวิปัสสนาให้เห็นตามความเป็นจริ ง, ต า, ต, าารงตายแน่ใช่ไหมร่างกายตายแน่ใช่ไหมเผาไฟทิ้งแน่ใช่ไหมมีกระดูกแน่ใช่ไหมล้วนแล้วแต่เป็นของจริงทั้งนั้น เรื่อเราจะไม่ตายรเราจะร่ำรวยเราจะมีความสุขตายไม่เป็นอย่างงั้นใช่ไหมเราจะไม่ตายอย่างงั้นใช่ไหมอันนี้ราะว่าผิดปกติแล้วคิดอย่างนั้นถ้าคิดตามความเป็นจริงชีวิตของเราเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงอันไหนเป็นสุขมันเีนทุกข์ขังอยู่ตลอดของไม่เที่ยงทั้งกินทั้งขับทั้งขายทั้งเปลี่ยนอริยาบททั้งร้อนทั้งหนาว ทังปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวต่อไปก็จะเป็นไข้เป็นหนาวมีอาพาธนานานับประ ก, การเเจ็บท้องปวดศีรษะเรื่องโรคในร่างกายนีย่นับไม่ถ้วนถ้าเราไปอยู่โรงพยาบาลเราจะรู้จักใครเป็นโรคอะไรแต่เราก็พร้อมที่จะเป็นทุกโรคเหมือนกับเขานะะั่นแหะแต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็มีแต่โรค ไม่สบายจบเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดานิดนหน่อยอไม่นิดนหน่อยๆนะถ้าสังเกตดูแล้วไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะบางทีก็อยู่ยากลําบากเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือการพิจราณาให้เห็นตามความเป็นจริงนะร่างกายสังขารมันเป็นอยู่อย่างนี้มันบอกไม่ได้ใช่ไหมฟังอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้าเนะี่ยอคนที่ป่วยลงไปอาการหนักตาฟ้าฟัง มองไม่เห็นนะตามองไม่เห็นมันเป็นสีขาวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเหลืองสลับสีหิงห้อยใหญ่ขา พ, พูดง่ายๆ ไ, ไม่ใช่หิงห้อยเล็กถ้าเราลุกขึ้นมาเป็นหิงห้อยเล็กมันจะลม้มอันนี้ป่วยอย่างนั้นอ่ะอาการหนักอย่างนั้นเป็นหิงห้อยใหญ่มันสลับมันสลับฉากเลยเอมันสลับฉากสีแดงสีขาวสีเหลืองสีอะไรมันสลับเพือหิงห้อยใหญ่เพราะั้นมองไม่เห็นคนหรอก ลิ้นก็หดเข้าไปจะพูดภาษาก็พูดไม่ได้มีแต่หมับปุมับปุมับปากลิ้มฝีปากเท่านั้นเองแต่หูได้ยินนะหูได้ยินอยู่บางคนหูได้ยินบอกวอาถ้าได้ยินกำรร ม, มือได้เสียนะก็พอมีกําลังที่จะบีบมือเขาได้นะอันนั้นแปลว่ายังได้ยินอยู่ น, ะนี่แหละถ้าถึงจุดนั้นแล้วนะอันนั้นคือความเป็นจริงใช่ไหม มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ตรงเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือความเป็นจริงร่างกายสังขารมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นพอเนืสูตรก็หมดสภาพหายใจปลาแล้วก็หมดสภาพด้วยกันหมดจุดหายใจหยุดเต้นหัวใจหยุดทํางานจากนั้นก็นั่นแหละความรันตกหยุดพอหยุดแล้วก็ดับทําไง จะทำยังไงเฮ้ก็ตายร่างกายสังขารตายอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้มันเป็นความจริงอย่างนั้นจริงๆริงเฮ้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราให้พิจารณาตามความเป็นจริงเนอะถาว่าเราถึงจุดนั้นมาแล้วเราดูตัวเองเลยท่านใจของเราไม่ออกนอกรูนอกทางเลยใจอยู่กับตัวเองเลดู ดูเลยเอาเสอิมันจะไปเวลาไหนวะถึงข่าวเราแล้วข่าวนี้แต่ข่าวแต่ก่อนกมีแต่เราได้พิจารณาสมมุติอยู่ตลอดว่าข้าพไปเจ้าตองตาอย่างนี้ข้าวไเจ้าจงตายตายอย่างนี้นข้าวเจ้าจะหมดลมอย่างนี้ข้าวเจ้าจะน่องเปื่ อ, อ, อยอย่างนี้นข้าพไปเจ้าจะหายใจปลาอย่างนี้นข้าพไปเจ้าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แต่บัดนี้ข้าวก่อนมันซ้อ ม, มวย ซอซมอโมยแต่บัดนี้ขึ้นเวทีแล้วนะเรานะฮะเราขึ้นเวทีแล้วนะเรานะ่ะบัต น, นี้ยเอาดูสิวะเนี่ยแหละมันกล้าถึงขนาดนั้นนะมันไม่กลัวอะไรท่านเหตุยังทำยังไงจะกลัวไปเพื่ออะไรกลัวไปให้งโง่ทาไมกลัวไปให้ฉลาดและกลัวไปให้โง่กลัวแล้วไม่กลัวมันก็มีเท่าเก่ามันจะต้องตายอย่างเก่าเพราะนั้นจะไปวิตกกังวลเรื่องอะไรวิตกกังวลอกลัว มันก็ไม่เกิดประโยชน์ในช่วงนั้นมีแต่ดูตัวเองเท่านั้นแหละถึงข่าวถึงคราวเราแล้วเหรอเนี่ยปลายแล้วนะคราวเนี่ยเนี่ยมันตรงลักษณะอย่างนั้นเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้พวกที่บอกกล่าวไว้ทั้งหมดนี้นั่นแหละให้เราฝึกซ้อมเอาไว้ให้ฝึกเอาไว้มันต้องไปมีวันนั้นแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งอั น, นั้นคือของจริงแท้ละ่ะจะเกิดขึ้นแต่เห็นคนอื่นตายเนี่ยเราก็ยังยิ้มหัวราะได้ แต่เป็นคารวะเอาขายผ้าขายตาลเอาโบกเอาไพ่ไปตบไปเล่นกันไปกินเหล้ากันสนุกสนานพอเห็นคนอื่นตายแต่พอเองตัวเองตายท่านนะเป็นมะเร็งท่านนะคุณเป็นมะเร็งนะจะตายแล้วนะหน้าม้อยอตาเหลือเขาเละท่านนะเพอเหตุไรเพราะตัวเองไม่ได้คิดถ้าพกเห็นคนอื่นเป็นของสนุกไปไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริง ถ้าเป็นปลาล์นั่จะไม่เป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นใครก็ตามต้องน้องหมาตัวเองอีกสักวันหนึ่งนะข้านะะร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของล้อนะข้านะเราต้องรู้เท่ารู้ทันนะเรานะในแหละสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดนะเราเข้ามาบวชแล้วก็มาศึกษาธรรมะทำคำสอนศึกษาเรื่องศีลสมาธิ ป, ปัญญา เขามาข้างในเขามาสู่ข้างในเราจะไปสอนแบบเลื่อนๆลอยๆล่อๆอะไๆไม่ได้สอนให้เห็นตามความเป็นจริงแต่ทำยังไงตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกแล้วจะค่อยขึ้นมาสลาอีกรอบ